ตรงนี้ก็ขอโมทนากับเราทั้งหลายนะที่ที่มาฟังในเรื่องของทานอกฐาเนี่ยก็ก็ใช้เวลาในการกล่าวมาก็ยาวพอสมควรแต่จะสรุปให้จบก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะว่าในทางเดินทางของพระโพธิสัตว์ของพุทธเจ้าด้แลว้วเนี่ยถ้ามันเป็นทานบา ร, รมีมาอย่างอุกฤษณแล้อย่างยาวไกล ตามในยะที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่ฟังกันมาอย่างยาวไกลว่าพระผู้มีอระภาคเจ้าบำเพ็ญบารมีที่บอกทรัพยท์ที่มีอวัยวะที่มีชีวิตที่มีก็เพียงเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นโดยแท้ที่บอกว่าสละตาให้เป็นทานจนดวงดาวบนท้องฟ้าพ่ายแพ้เลือดให้เป็นทานจงมหาสมุทรทั้งสี่ก็พ่ายแพ้สละอวัยวะมีเนื้อเป็นต้นเหล่านี้นะให้เป็นทานจนแผ่นดินพ่ายแพ้ ตัดศรีรษะให้เป็นทานก็ขุนเขาสิเนรุก็พ่ายแพ้นั่นแหละคือระดับทาน ท, านที่เป็นปรมัทบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาถึงสัมมาสัมปวียาณเราท่านทั้งหลายเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาได้มาเดินเข็นลอยทางของทานนะบา ร, รมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นแล้วก็ไล่ลำดับมา ปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าที่ทรงทําอะไรมาก็ไปดูในชาดกทั้งหลายที่เป็นพระจริยาคุณที่บันทึกเาไว้ที่ว่า550เรื่องนะห้าเรื่องที่จารยกไว้ในพระไตรปิฎกนั้นคือพระจริยาคุณเป็นเหตุให้พระผู้มีพระเจ้าได้พระสรีระคุณไม่ว่าจะเป็นซาติระชานเป็นมนุษย์แม้ในพบสุดท้ายบริบูรณ์ที่สุดเลยสรีระที่ประดับประดาไปด้วยมาหาบุริสระขนาะ32ประการและ อนุพยัญชนะอีก80บริบูรณ์ทุกชิ้นส่วนที่ทรงได้มานั้นมาจากกุศลกรรมที่ยิ่งยวดมาจากอธิกุศลที่มั่นคงมาจากการสมาทานกุศลแบบไม่ถอยหลังนั่นแหละคือเส้นทางอย่างยาวไกลที่สุดจริงๆก็มาสรุปตรงคุณคุณของพระผุทมีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นไปในส่วนของสัพพัญยุตยานานาวรญ า, านอินทรียปรโปรปิยติยาน อาศยานุสยายานมหากรุณาสมาปติยานโดยเฉพาะมหากรุณาสมาปติยานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรวจสอบกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะไปเกลื่อนกล่นในใบยภูนนะถ้าไ ม, ม่ได้เจริญทานในกุศลศีลกุศลโดยเฉพาะศีลกุศลเป็นต้นทานกุศลที่จะมีผลมากมีอ น, นสงมากก็ต้องมีศีลกำกับใช่ไหมศีลก็จะรักษากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ตกไปในใบยภูมิและก็จะไม่ตกไปในสังสารวัตร เมื่อเราเห็นช่องทางเห็นเส้นทางการเดินทางอย่างยาวไกลของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้แล้วก็ให้ลึกน้อมถึงคุณของพระเจ้าว่าเราท่านทั้งหลายเกิดมาได้มีโอกาสซบศีษะใต้เบื้องบาปพระศาสดาสมาทานบอกว่าจะต้องเงยศีษะออกจากอบายภูมิให้ได้เพืเดินตามรอยบาปพระศาสดาเพื่อบรรลุธรรมตามคําสอนของท่านเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวสาธยายและลึกถึงคุณของพระเจ้าพร้อมกันนะส่วนบา ร, รมีสิบเลย ตังใจอุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมจาธยายพระธรรมเป็นนี้เป็นบุญที่ใหญ่สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจองมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใด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 มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันตำลางท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดสัตว์เหล่าใดยังไม่ผลจักขอเทวดาทั้งหลาย โปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสหายทั้งปวจงเป็นผู้ไม่มีเวอยู่เป็นสศทุคเมือ่อจนถึงพระอันกฤษกาคือพรานิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จ สาธุสาธุสาธุด้วยคุณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมคุณความดีทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญกันมากระทำกันมาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการกระตุ้นเตือนทา น, นกุศลศีลกุศลภาวนากุศล ให้เกิดขึ้นในกระแสความคิดของเราท่านทั้งหลายจงพัฒนาเป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อออกจากบาปอกุศล ธ, ธรรมอันลามกสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษต่อสมาธิได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฐมฌาน ท, ท, าาน ท, ทาานุติยฌ า, านตเทยฌานจตุตฌานและอรูปฌานสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาฌานทุกระดับตั้งแต่วิ อนิจานุปัสสนาเป็นต้นเป็นใบตามลำดับจนถึงปฏินิสขานุปัสสนาเป็นที่สุดและจกเป็นปัจจัยแก่การประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคและอริยผลจนสามารถเป็นปัจจัยให้ได้ซึ่งอนุปาธาปริณิพานคือการดับกิเลสพร้อมทั้งขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยกันทุกท่านทุกประการคินอ้า กราพรานันจรดาอภภาแะอภะ